มาศึกษามาเรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ชีวิตคือให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆการที่ เราจะทำให้ชีวิตของพวกเรานี้มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์เราก็ต้องรู้จักกฎกติกาของชีวิตชีวิตของเรานี้ก็มีกฎกติกาที่จะทำให้ชีวิตของเราจเจริญหรือเสี่ม ที่จะทําให้ชีวิตของเราสุขหรือทุกข์ถ้าเรารู้จักกฎกติกาของชีวิตแล้วทําตามกฎกติกาของชีวิตได้ชีวิตของเราก็จะมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์มีแต่ความเจริญนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้กัน ว่าชีวิตของนี้มีกฎกติกาอะไรบ้างกฎกติกาของชีวิตของพวกเราเานี้ก็มีอยู่สองกฎด้วยกันเพราะส่วนประกอบของชีวิตของพวกเราเรานี้มีสองส่วนด้วยกันมีร่างกายและมีจิตใจร่างกายก็มีกฎกติกาอย่างหนึ่งจิตใจก็มีกฎกติกาอีกอย่างหนึ่ง เป็นคนละ ก, ก, น ก, กฎกันกฎกติกาของร่างกายคืออะไ ร, ก, รกฎกติกาของร่างกายก็คือกฎแห่งไตรลักษณ์อนิจังทุกขงังอนัตาอันนี้เป็น ก, กฎกติกาที่กํากับเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายและสิ่งต่างๆที่ร่างกายหามาได้เช่นราบยศสลเสริญสุขและบุคคลต่างๆ และสิ่งของต่างๆของเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎของตายรับของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาส่วนเรื่องจิตใจนี้มีกฎกติกาอีกกฎหนึ่งต่างจากกฎกติกาของร่างกายกฎกติกาของใจก็คือกฎแห่งกรรมที่ พระจ้าได้ ส, สอนอยู่เรื่อยๆว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมบางใดไว้จะดีหรือชั่วเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราในที่นี้ก็หมายถึงจิตใจจิตใ จ, จมีกฎแห่งกรรมเป็นผู้ที่จะ ทำให้จิตใจสุขหรือทุกข์จะทําทให้จิตใจเจริญหรือเสื่อมอันนี้ต่างจากกฎกติกาของร่างกายและของทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราต้องรู้จักวิธีปฏิบัติตามกฎกติกาแล้วชีวิตของเราทั้งร่างกายและจิตใจของเราก็จะมีแต่ความสุข ไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจต่างๆตามมาดังนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะศึกษาเรียนรู้ก็คือกฎกติกาของร่างกายกฎกติกานี้อยู่ของร่างกายนี้อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังนี้แปลว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นของที่มีเกิดขึ้นได้แล้วก็จะต้องมีการดับไปได้สิ่งใดมีการเกิดขึ้นในโลกนี้สิ่งนั้นไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการดับไปเช่นร่างกายของพวกเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเจริญเติบโตแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บแล้วก็มาตายไปในที่สุด สิ่งของต่างๆทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆสัตว์และบุคคลต่างๆที่เราได้มามีมาพบมารู้จักก็ต้องมีการพัดพากจากกันมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีการแยกตัวกันไปไม่มีข้อยกเว้นราบยศสรรเสริญสุขที่เราหากัน ก็มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมไม่มีราบยศสารเสริญสุขที่จะมีแต่เจริญอย่างเดียวเพราะว่าในที่สุดมันก็ต้องขึ้นอยู่กับความเสื่อมของร่างกายพอร่างกายตายไปลาบลาบยศสารเสริญสุขที่หามาได้โดยผ่านทางร่างกายก็ถึงก็ถึงสิ้นสุดลง นี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจถึงหลักคำว่าอนิจจังเป็นของที่ไม่ยั่งยืนไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวถ้าเราไปอยากให้มันยั่งยืนถาวรมีแต่เจริญไม่มีเสื่อมเราก็จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาทางใจทุกข์ที่เกิดจากความอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ อยากให้ร่างกายเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงอยากให้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมันเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงอยากให้สิ่งนง้นสิ่งนี้เป็นของเราไปตลอดมันก็เป็นไม่ได้ไปตลอดเพราะมันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นสมบัติชั่วคราวสมบัติที่มาคู่กับร่างกายร่างกายก็เป็นสมบัติชั่วคราว ที่วันหนึ่งเราก็ต้องสูญเสียสมบัติอันนี้ไปพอเราสูญเสียร่างกายไปเราก็สูญเสียทุกอย่างที่เราหามาได้ผ่านทางร่างกายไปถ้าเราไปยึดไปติดไปหลงไปคิดว่ามันเป็นของเราอย่างแท้จริงและคิดว่าจะทำให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอดไม่มีวันจากเราไปเราก็จะต้องเจอกับความทุกข์เจอกับความผิดหวัง เพราะว่ามันไม่ได้เป็นตามที่เราต้องการนั่นเองสาเหตุที่เราไปอยากให้มันไม่เสื่อ ม, อมก็เพราะเราไม่มองความจริงกันเราไม่ศึกษากฎของตายรักกันเราไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้อยู่ภายใต้กฎของตายรักของอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราได้ศึกษาได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายักเป็นของไม่เที่ยง ไม่ใช่ของเราเป็นสมบัติชั่วคราวถ้าไปอยากให้มันเป็นของเราอยากให้มันเที่ยงเราก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจขึ้นมาความทุกข์ที่เกิดจากความอยากอยากในอยากในกามอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดพะพ้าอยากมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพะพ้าไปเรื่อยๆอยากมีอยากเป็นอยากร่มอยากรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโต เรา อ, อยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ทุกข์วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆแต่มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปทำตามความอยากได้เพราะโลกที่เราอยู่นี้คือโลกของร่างกายนี้มันมีการมีเหตุมีปัจจัยที่มาคอยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเราอยู่เรื่อยๆ เช่นดินฟ้าอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันไม่อยู่นิ่งมันไม่ร้อนไปทั้งปีมันไม่หนาวไปทั้งปีมันไม่ฝนตกไปทั้งปีเพราะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้มันร้อนขึ้นมามีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้มันหนาวขึ้นมามีเหตุมีปัจจัยที่มันจะทำให้ฝนตกเหตุปัจจัยเหล่านี้มันไม่ได้เป็น สิ่งที่อยู่ภายใต้อำนาจของใครที่จะสั่งการได้เ<ม>พราะนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติปรากฎการทางธรรมชาติ<ม><ม>กฎของตายรักนี่ก็คือกฎของธรรมชาติร่างกายของเรานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาติร่างกายของพวกเราก็ทำมาจากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติก็คือธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่ ทุกวันนี้เราก็คอยเติมธาตุเข้าไปในร่างกายอยู่เรื่อยๆถ้าเรายังอยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ต่อไปตามอัตรภาพของมันถ้าเรายังหายใจได้เราก็ต้องหายใจเติมธาตุลมเข้าไปถ้าขาดธาตุลมเมื่อไหร่ร่างกายก็ตายทันทีถ้าเรายังดื่มน้ำได้เราก็ต้องดื่มน้ำเข้าไปเราธาตาุน้ำเข้าไป การดื่นน้ําการดื่มของเหลวต่างๆก็เป็นการเติมธาตุน้ําการรับประทานอาหารรับประทานของแข็งต่างๆก็เป็นการเติมธาตุดินเข้าไปส่วนธาตุไฟเราก็ได้รับจากแสงอาทิตย์ความร้อนจากพาทิศร่างกายเราพอมีแสงพาทิศร่างกายเราก็ร้อนขึ้นมาเมื่อธาตุทั้งสี่นี้มันเข้าไปรวมตัวในร่างกาย มันก็ไปผสมปรุงแต่งเป็นอาการต่างๆไปเป็นบางส่วนก็ไปเป็นผมบางส่วนก็ไปเป็นขนบางส่วนก็ไปเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นกระดูกเป็นอวัยวะอาการสามสิบสองของร่างกายร่างกายนี้ถ้าเราศึกษาอย่างละเอียดเราจะเห็นอย่างชัดเจนว่ามันไม่มีตัวตนอยู่เลยไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้เลย เราคือใครเราก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่ที่ไปคิดเอาเองว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเพราะเราเกิดมาพร้อมกับร่างกายเรามาพร้อมกับร่างกายร่างกายของเรานี้มันเริ่มต้นที่ท้องแม่โดยอาศาัยอาศัยธาตุสี่ของพ่อกับอาศัยธาตุสี่ของแม่มาผสมกันพอผสมกันก็ทําให้เกิดธาตุสี่ขึ้นมาใหม่เกิดร่างกายใหม่ขึ้นมา พอมีร่างกายใหม่เกิดขึ้นมา <c oughs> ถ้ารู้คือคือใจที่เป็นดวงวิญญาณตอนนั้นไม่มีร่างกายเป็นดวงวิญญาณก็จะส่งกระแสวิญญาณมาเกาะที่ร่างกายทันทีมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพานจากตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกาย เวลาที่ร่างกายได้คลอดออกมาแล้วพอร่างกายคลอดออกมาจากท้องแม่ก็ลืมตาพอลืมตาก็จะเห็นรูปขึ้นมาหูก็จะได้ยินเสียงแล้วพอรูปหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสนี้มาสัมผัสกับทวารทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะวิญญาณก็จะส่งไปให้ใจคือเรานี่เราคือใจ เราสายวิญญาณเป็นผู้เชื่อมต่อกับร่างกายเป็นเหมือนกับการเชื่อมต่อของโทรศัพท์มือถือสองเครื่องการเชื่อมต่อของโทรศัพท์มือถือเขาเชื่อมต่อด้วยสัญญาณวิทยุเรามองไม่เห็นสัญญาณวิทยุเพราะมันเป็นธรรมที่ละเอียดฉันใดเราก็มองไม่เห็นสัญญาณที่ใช้เชื่อมต่อใจกับร่างกายคือวิญญาณ เราเรียกว่าวิญญาณหวิญญาณหวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางร่างกายอันนี้มันจะไปเกาะ อ, อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อรอรับข้อมูลที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายพอข้อมูลพอจะเกิดการสัมผัสระหว่างตากับ ร, รูป เสียงกับหูหูกับเสียงเสียงมันก็จะวิ่งเข้าไปที่ใจตามันก็จะรูปมันก็จะวิ่งเข้าไปที่ใจใจก็จะรับรู้ว่าอ๋อตอนนี้ร่างกายเห็นอะไร <c oughs> ได้ยินได้ฟังอะไร <c oughs> แต่ใจกับร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอยู่คนละที่ <c oughs> เหมือนโทรศัพท์มือถือสองเครื่องไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอยู่คนละที่ อะไรเกิดขึ้นกับร่างกายนี้มันไม่ได้ไปเกิดขึ้นกับใจแต่อย่างใดเช่นร่างกายต่อไปมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย mm hmm. เวลาร่างกายแก่เจ็บตาย mm hmm. มันก็ไม่ได้ไปทําให้ใจผู้ที่มารับรูปเสียงกลิ่นรสผลพระผ่านทางกระแสะวิญญาณนี้แก่เจ็บตายไปกับร่างกายเลยแต่เนื่องจากว่าไม่มีใครสอนความจริงอันนี้ ทุกคนที่เกิดมาปั๊บนี่ก็จะคิดว่าตนเป็นร่างกายทันทีเพราะตนใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการกระทำอะไรต่างๆเป็นเครื่องมือในการรับรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าแล้วก็เป็นเครื่องมือที่จะพาเราไปไหนมาไหน mm. เราอยากจะมาวัดเราก็ต้องสั่งให้ร่างกายเดินทางมาที่วัด คนสั่งกับคนรับคำสั่งนี้เป็นคนละคนกันไม่ใช่คนเดียวกันแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะมาก่อนเราก็จะคิดว่าเป็นคนเดียวกันเราก็จะคิดว่าใจเป็นอยู่ในสมองคนสั่งนี้อยู่ในสมองเป็นคนคิดคนคิดอยู่ในที่สมองพอสมองสั่งให้ร่างกายลุกมันก็ลุกสั่งให้ร่างกายยืนมันก็ยืนสั่งให้ร่างกายเดินมันก็เดิน แต่ความจริงสมองไม่ได้เป็นผู้สั่งไม่ได้เป็นผู้คิดสมองเป็นผู้ประสานคำสั่งของใจพอใจสั่งให้ร่างกายลุกสมองก็จะส่งส่งสัญญาณไปที่ที่ร่างกายที่ขาให้ลุกขึ้นให้ยืนขึ้นก็เรียกประสาทร ะ, ระบบประสาทสมองนี้เป็นเื่อนระบบประสาทสมองควบคุมการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกาย ควบคุมให้ร่างกายยืนให้ร่างกายเดินให้ร่างกายนั่งเวลาที่ได้รับคําสั่งจากใจอีกทีหนึ่งแต่สมองเองไม่ได้เป็นผู้สั่งสมองเป็นผู้รับคําสั่งจากใจอีกทีหนึ่งพอใจสั่งให้ลุกขึ้นยืนสมองก็สั่งให้ยืนขึ้นถ้าถ้าเป็นเด็กยังยืนไม่เป็นก็ต้องหัดยืนก่อนสมัยที่เป็นเด็กๆนี่ยังยืนไม่เป็นยังเดินไม่เป็นยังทาอะไรไม่เป็น ช่วงที่เป็นเด็กๆ ก, ก็ต้องค่อยๆฝึกหัดไปฝึกหัดยืนตอนต้นก็คลานก่อนข้อนออกมานี้ทําได้อย่างเดียวก็คือนอน <Yeah. S 1> ต่อมาก็ใจก็อยากจะลุกขึ้นมาก็สั่งให้ท่างกายสั่งให้ทารกลุกขึ้นทารกก็พยายามลุกขึ้นฝ <Yeah. S 1> ึกหัดไปเรื่อยๆก็ลุกขึ้นมานั่งได้แล้ว <Yeah. S 1> อยากจะไปนู่นมานี่ยังเดินไม่ได้ก็คลานไปก่อน <Yeah. S 1> หัดคลานไปก่อน yeah. ช่วงที่เป็นเด็กนี่เป็นช่วงที่เราเราเราสอนสมองให้สั่งการไปที่ร่างกายให้เคลื่อนไหวทำอะไรต่างๆสมองก็จะรับคำสั่งจากใจอีกทีหนึ่งจ mm hmm. นพอเราฝึกไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นความเคยชินไปพ mm hmm. อคิดปับ๊บมันก็ทำได้ทันทีพอบอกให้ลุกปับ๊บคิดว่าจะลุกปับ๊บมันก็ลุกได้ทันทีพอคิดว่าจะวิ่งมันก็วิ่งได้ทันที แต่การกระทาเหล่านี้มันเป็นการกระทาของสองฝ่ายด้วยกันของร่างกายและจิตใจ <Yeah. S 2> แต่ถ้าเราไม่ได้มามีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เราก็จะไปคิดว่าผู้คิดกับผู้รับคำสั่งนี้เป็นคนเดียวกันคือร่างกาย <Yeah. S 2> นี่คือเรียกว่าโมหะอวิชชา <Yeah. S 2> โมหะก็คือความหลงผิด <Yeah. S 2> เห็นผิดเป็นชอบ เห็นว่าร่างกายกับใจนี่เป็นคนเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอวิชาก็คือไม่รู้ความจริงไม่รู้ว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นคนละคนกันเป็นคนละอันกันอันนี้แหละที่เรามาศึกษาธรรมะมาเรียนรู้เรื่องกฎต่างๆรู้ความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้มันก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เกิดขึ้นมาได้ด้วยการรวมตัวของธาตุสีของพ่อและของแม่มาผสมกันในท้องแม่แล้วแม่ก็เติมธาตุสีเข้าไปในร่างกายก็แบ่งธาตุสีมาให้กับทารกที่อยู่ในร่างกายให้ค่อยๆจเจริญเติบโตขึ้นมาวันละนิดวันละหน่อยจนกระทั่งอยู่ได้ประมาณ9เดือนก็จะแติบโตเต็มที่จนกว่าที่จะอยู่ในท้องต่อไปได้ ร่างกายของแม่ก็ปล่อยให้คลอดออกมาปล่อยให้ทารกคลอดออกมามแล้วพอคลอดออกมาแล้วทีนี้ทารกก็ต้องเติมธาตุสีด้วยตัวเองต้องหายใจเองก่อนพ อ, ออกมาจากท้องแม่แล้วนี่ต้องหาธาตุลมมาเองขณะที่อยู่ในท้องแม่นี้อาศัยธาตุลมที่มีอยู่ในร่างกายของแม่ดอเลิ้งไปก่อนแต่พอคลอดออกมาจากท้องแม่แล้วตัดสาย เชื่อมต่อกันแล้วทารกก็ต้องเติมธาตุลมเองต้องหายใจเอง<ม>เด็กที่ออกมาตอนต้นก็ร้องกันเพราะยังไม่หายใจ<ม>พอกระตุ้นให้หายใจก็หยุดแล้ว<ม>เริ่มเอาธาตุมเข้าไปในร่างกายต่อมาก็หิวนา้าต้องเติมธาตุน้าเข้าไปต่อมาก็หิวอาหารก็ตเติมของที่มีของที่เป็นของแข็ง ผสมกับน้ำธาตุนมนี่ก็มีธาตุดินผสมอยู่ด้วย<น>ก็ดื่มนมไปก่อนกินอาหารเหลวไปก่อ น, นส่วนธาตุไฟก็ได้รับจากเนี่ยส่วนหนึ่งก็เสื้อผ้าเพราะแม่ที่คอยใส่ให้กับลูกผ้าหม่มแล้วก็ความร้อนของของที่อยู่อาศัยก็ทําให้ร่างกายมีธาตุสี่ที่จะคอย ผสมกันรวมกันแล้วก็สร้างทำให้อาการอาวัยวะสารสิบสองนี้ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาเ mm hmm. นี่ยธาตุสี่ที่เราเอาเข้าไปในร่างกายนีมันเข้าไปมันเข้าไปรวมกันในท้องแล้วในท้องนี้มันก็จะมีการผลิตส่งไปตามอาวัยวะต่างๆไปเสริมไปต่ออวัยวะต่างๆ mm hmm. ไปที่ผมก็ทำให้ผมยาวขึ้น ไปที่เล็บ ก, ก็ทำให้เล็บยาวขึ้น <Yeah. S 2> ไปส่วนไหนมันก็ทำให้ส่วนนั้นเจริญเติบโตขึ้นบางส่วนมันไม่เจริญเติบโตก็มันก็ไปเลยไปคอยประครับประคองไม่ให้มันเสื่อม <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> นี่คือระบบของดินน้ำนมไฟแท้ๆไม่มีตัวตนในร่างกายเลยไม่มีใครเป็นผู้สร้างร่างกายไม่มีใครทำให้ร่างกายนี้ <Yeah. S 2> อยู่ได้หรือตายได้ <Yeah. S 2> มันอยู่ที่ระบบ ถ้าระบบมันหยุดทำงานเมื่อไหร่มันก็ตายทันที <Yeah. S 2> แล้ววันหนึ่งร่างกายนี้มันก็จะต้องถึงแก่ความตายเพราะว่าระบบที่เคยทำงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นสิบสิบปีมันก็เสื่อมอายุ uh huh. ประสิทธิภาพความสามารถที่จะทำหน้าที่ uh huh. พยุงรักษาร่างกายให้อยู่ไปได้มันก็หมดกำลังลงสั uh huh. งเกตดูพอมีอายุมากขึ้นเรี่ยวแรงก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อย เพราะความเสื่อมของอวัยวะต่างๆและในที่สุดมันก็จะต้องเข้าสู่ความตายไปในที่สุดก่อนจะตายก็ต้องไปเจอกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเพราะวาอวัยวะต่างๆพอมันเสื่อมมันก็จะแสดงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคหัวใจโรคตับโรคไตโรคปอดโกกรคกล้ามเนื้อมีทุกโรคอวัยวะทุกส่วนของร่างกายนี้พอมันเสื่อมแล้ว มันก็จะเป็นมีโรคภัยขึ้นมาทันทีอาการเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้เพราะมันเป็นเหมือนดินฟ้ากิมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อยู่ภายใต้กฎของไตรักษตอนที่เวลาเกิดมาใหม่ๆมันกฎไตรักก็ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแต่พอมันเจริญเติบโตเต็มที่แล้วกฎไตรักก็ทาให้มันเสื่อมลงมา มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมเป็นธรรมดานี่คือกฎตายรักไม่มีตัวตนในร่างกายไม่มีใครเป็นเจ้าของร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นของดินน้ำลมไฟแล้ววันหนึ่งก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปพอร่างกายหยุดหายใจวับธาตลมก็ไม่เข้าในร่างกายมีแต่ธาตุลมที่เหลืออยู่ในร่างกายก็จะระเหยออกมาแล้วก็ตามมาด้วยธาตุไฟ ร่างกายที่มีมีความอบอุ่นก็จะกลายเป็นร่างกายที่เย็นเฉียบเพราะธาตุไฟได้ออกจากร่างกายไปตามธาตุตามธาตุลมธาตุลมไปก่อนธาตุลมไม่เข้าพอไม่เข้าแล้วธาตุไฟก็ไม่สามารถเข้าไปในร่างกายไนดะ้มีแต่ออกอย่างเดียวแล้วตามไปด้วยธาตุน้ําถ้าปล่อยทิ้งร่างกายไว้ไม่ไปทําพระ อาภนกิจไม่เอาไปเผาถ้าปล่อยให้มันเน่าเปื่อยพวกน้ําต่างๆธาตุน้ําที่มีในร่างกายมันก็จะแยกออกจากธาตุดินที่มีในร่างกายจนพอธาตุน้ําออกจากร่างกายหมดร่างกายก็แห้งกรอบอวัยวะ ว, วต่างๆก็แห้งกรอบเป็นเหลือแต่หนังหุ้มหุ้มกระดูกไว้แล้วทิ้งไปนานๆเข้าทั้งหนังทั้งกระดูกก็ผุพังกลายเป็นดินไปในที่สุด อ น, นี้แหละคือกฎแห่งตายรักอันนี้จังไม่เที่ยวอนัตตามันไม่มีตัวต น, ม, นมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นเหตุขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยถ้ามีเหตุปัจจัยสี่มีเหตุก็คือมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาทำหน้าที่ของมันมันก็อยู่ได้พอดินน้ำลมไฟไม่สามารถทำหน้าที่ร่วมร่วมกันได้มันก็แยกตัวออกจากกัน ร่างกายในที่สุดก็หายไปคนตายแล้วถ้าเราไปเผาเราก็ช่วยช่วยแยกธาตุดินจากธาตุน้ำธาตุน้ำออกจากธาตุดินให้เร็วขึ้นเวลาเราไปเผาเอาร่างกายไปเผาธาตุน้ําที่อยู่ในร่างกายก็จะถูกไฟร้อนเผาไปแล้วธาตุธาตุดินก็จะถูกไฟเผาไปจนกระทั่งกลายเป็นขี้เถ้าไปแล้วก็กลายเป็นเศษกระดูกไปอันนะี้คือการศึกษากฎแห่งตายลัก ที่เกี่ยวกับร่างกายมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครที่จะไปสั่งไปห้ามมันได้มันมันเป็นระบบของมันพอมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรมรมดามีเจริญแล้วก็ต้องมีเสือ่อมมีเกิดแล้วก็มีดับไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามร่างกายของคนรวยหรือของคนจนก็เหมือนกันร่างกายของเจ้าใหญ่ เจ้านายเจ้าใหญ่เนยนายโตทั้งหลายหรือคนชั้นต่างขี่ค่ามันก็มีร่างกายเหมือนกันอยู่ภายใต้กฎของตายลักเหมือนกันไม่มีใครที่จะมายับยัง้งการเจริญและการเสรื่อมของร่างกายได้และสิ่งที่หามาได้ก็เป็นอยู่ภายใต้กฎของตายลักเช่นเดียวกันเช่นลาบยศสารเสริญสุขที่เราสแสวงหากันเพราะเรา ใช้ลาบยศสารสนุขเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราแต่เครื่องมือที่ให้ความสุขกับเรามันก็ไม่แน่นอนลาบคือเงินทองทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบางทีมันก็มาบางทีมันก็ไม่มาบางทีมันไปมันการที่จะมามันกลับไปการที่จะเจริญมันกลับเสื่อมก็มีถ้าบางคนโชคดีเก็บไว้ได้จนวันตายแต่พอถึงวันตายก็ต้อง ก็ต้องจากมันไปอยู่ดีคือสรุปแล้วไม่ว่าเราจะได้อะไรมาในที่สุดเราก็ต้องเสียมันไปได้ราบก็ต้องเสียราบได้ยศได้ตำแหน่งอะไรต่าง ๆ, ๆก็ต้องเสียตำแหน่งไปได้สรรเสริญก็ต้องเจอกับความนินทาในโลกนี้คำสรรเสริญกับคานินทา น, นี้มันเป็นเหมือนกับดินฟ้ากัมีร้อนมีหนาวมีฝนตกฉันใดก็ต้องมีคสาสรรเสริญมีนินทาฉันนั้น พราะเราไปห้ามไปสั่งให้คนสรรเสริญอย่างเดียวไม่ได้ไปห้ามแม่เขาดินทาไม่ได้เขามาเขาไปเหมือนกับดินฟ้าอากาศความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นความสุขที่เปลี่ยนไปจากสุขกายเป็นทุกข์ได้เพราะรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันมีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์เช่นเสียงเสียงสรรเสริญก็เป็นเสียงแห่งความสุข พอาเสียงนินทาตำหนิตีเตียนก็กลายเป็นเสียงแห่งความทุกข์แต่ความจริงมันก็เป็นแค่เสียงเท่านั้นแต่ใจเราไปหลงไปให้ความสำคัญกับเสียงเสียงอย่างนี้ให้ความสุขเสียงอย่างนี้ให้ความทุกข์นี่คือสิ่งต่างๆที่อยู่ภายใต้กฎของตายักเพราะฉะนั้นเราอย่าไปแสวงหาความสุขความเจริญอย่างแท้จริงจาก สิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ได้ไปหาความสุขความเจริญของร่างกายไปไม่ได้ร่างกายมันไม่เจริญไปตลอดมันจะต้องมีวันแก่วันเจ็บวันตายแล้วทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองลาบยศสารเสริญสุขก็เป็นอย่างนั้นเวลาที่เราตายไปเราก็สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทํากับสิ่งต่างๆที่เป็นตายแลกก็คือเราอย่าไปอยาก อย่าไปฝืนความจริงอย่าไปอยากให้มันไม่ไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่าไปอยากให้มันไม่เสือ่อมอย่าไปอยากให้มันไม่พัดภาคจากเราไปเพราะความอยากเหล่านี้มันจะสร้างความทุกข์ทรมานให้กับเรานะถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับการกับกับการอยู่ภายใต้กฎของตายลักเราก็ต้องยอมยอมรับความจริงของกฎตายลัก ยอมรับเวลาที่ร่างกายแก่ก็ต้องยอมรับเวลาร่างกายเจ็บไข้หน่ายป่วยก็ยอมรับเวลาน่างกายจะตายก็ยอมรับเฉยๆทําใจเฉยๆถ้าเราทําใจเฉยๆได้ใจเราก็จะรับกับความจริงของของกฎของตายรักได้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆของเราก็ดี มันก็เป็นของที่ไม่มีอะไรที่แน่นอนมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเวลาเจอกับความเสื่อมถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันไม่เสื่อมเท่านั้นเองแต่แต่ถ้าเราไม่ได้มาฝึกฝนอบรมสอนใจให้ไม่ไปอยากมันก็มันก็ห้ามใจไม่ได้เงนั้นถ้าเราอยากจะทาให้ใจเรายอมรับความจริงของกฎตายรักได้ เราก็ต้องไปฝึกสติไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบเพราะเมื่อใจเราสงบแล้วใจเราจะรับกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เราจะไม่ฝ่าฝืนกฎนี้เราจะยอมรับถ้าเขาจะเอาของนี้ไปก็ปล่อยให้เขาเอาไปถ้าเขาจะเอาสามีภรรยาของเราไปก็ให้เขาเอาไปถ้าเขาจะเอาลูกของเราไปก็ให้เขาเอาไปถ้าเขาจะเอาบ้านของเราไปก็ให้เขาเอาไป ถ้าเราห้ามเขาไม่ได้เราจะทำยังไงถ้าเราอยากให้เขาไม่เอาไปเราก็จะเศร้าโศกเสียใจถ้าเขาอยากจะเอาชีวิตของเราไปเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขานี้ก็หมายถึงเหตุปัจจัยทางปรากฏการทางธรรมชาติต่างๆนี่อาจจะมาในรูปแบบของบุคคลคนนั้นคนนี้ก็ได้อาจจะมาในรูปแบบของดินฟ้าอากาศก็ได้อาจจะมาในรูปแบบของอุบัติเหตุอุบัติภัยก็ได้ อาจจะมาในรูปแบบของเชื้อโรคต่างๆก็ได้สิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของกฎของตายรักตรงนั้นที่เราอยู่ในโลกของตายรักในโลกนี้จะต้องเจอความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่ยั่งยืนถาวรเราจะต้องเจอกับความสิ้นสุดของสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่แล้วถ้าเราอยากจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้อย่างไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความกังวลใจเราก็ต้องไปฝึกจิตฝึกใจ สอนจิตให้วางเฉยให้ได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาวิธีที่จะทำจิตให้อุเบกขาก็ต้องทำนั่งสมาธิให้เข้าฌานให้ได้ถ้าเราเข้าถึงฌานสี่จิตก็จะตั้งเป็นอุเบกขาขึ้นมาจะวางเฉยจะสักแต่ว่ารู้ตอนต้นมันก็จะวางเฉยได้แป๊บเดียวเพราะทรับกำลังของสติเรายังมีไม่มากพอ ถาเราฝึกสติบ่อยขึ้นมากขึ้นนั่งสมาธิมากขึ้นบ่อยขึ้นต่อไปเวลาเราออกจากสมาธิมานี้เราจะมีอุบเบกขาอยู่ในใจเวลาที่เราเจอกับกฎของอนิจจาวาเวลาที่เราเจอกับการพัดภาคจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาที่เราต้องไปเจอกับสิ่งที่มาทําให้ใจเราทุกข์เช่นมาเจอการนินทาของคนนั้นคนนี้ถ้าจิตเรามีอุบเบกขา จิตเราก็วางเฉยได้ไม่ต้องไปต่อสู้ไม่ต้องไปคัดค้านไม่ต้องไปมีเรื่องมีราว่าใครเสียเวลาปเปล่าๆเราห้ามเขาไม่ได้เหมือนกัเราไปห้ามฝนตกไม่ได้อย่าไปห้ามฝนตกเลยเวลาฝนตกก็หาหาร่มกลางดีกว่าหาร่มกลางหรือหาที่ร่มหลบที่ร่มหลบภัยของใจก็คืออุบเบกานี่คือการเข้าสมาธิ เราจนชำนาญแล้วเวลาออกจากสมาธิมามันจะมีอุเบกขาไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ถ้ามีอุเบกขาอยู่ข้างนอกสมาธิแล้วก็ไม่ต้องเข้าสมาธิแต่ถ้าอุเบกขามีกําลังน้อยเวลาเจอสิ่งต่างๆถ้ายังรับไม่ได้ก็เข้าไปในสมาธิก่อนเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปก่อนเวลาไปเจอใครเขาพูดจาหยาบคายไม่ต้องไปต่ อ, ตอว่าต่อขานเขา เราพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราทําใจให้เฉยไม่ได้เราก็มาพุโทโธพุโทโธไปก็แล้วกันพอเราพุโทโธพุโทโธได้สติขึ้นมาอุเบกขาก็จะเพิ่มกับคืนขึ้นมาพอมีอุเบกขาแล้วใจเราก็เฉยไม่เดือดร้อนใครจะว่าอะไรก็กลับสงสารก็เสียว่าทําไมต้องมาไหว้เสียเวลาทำไมไหว้แล้วเราไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเสียเสียเวลาเสียน้ําลายเปล่าเสียแรงกว่าเปล่า ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าจะหวังว่าดว่าแล้วเราจะทำให้เราทุกข์เนี่ยเราไม่ทุกข์แล้วเพราะเรายอมรับยอมรับการว่าของเขาได้เขาจะว่าอย่างไงเขาจะว่าเราชั่ว อ, อย่างไรเขาจะว่าเราเลวอย่างไรเขาจะว่าเราเป็นสัตว at ์เบลชานี่เราก็ปล่อยเขาว่าไปถ้าใจเรามีอุเบกขาแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเรายอมรับกฎของตายลกกของกตายลักก็คือมีสรรเสริญมีนินทา อย่ในโลกนี้มันต้องเจอทั้งสรรเสริญเจอทั้งนินทาแม้แต่พระพุทธเจ้าพระหลานทั้งหลายท่านก็ต้องเจอกันใจท่านไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนใจท่านเป็นเหมือนหยดน้าบนใบบัวไม่ซึมซาบข้อหากันน้ําหยดบนใบบัวหยดน้ํามันก็คลิ้งไปคลิ้งมามันไม่มันเพราะเพราะใบบัวมันไม่ไม่ไม่ดูดน้ําเข้าไปนั่นเองไม่เหมือนกับใจของพวกเราที่ยังไม่ได้ฝึกฝนอบรมเวลาใครเขาพูดอะไร ดีก็ดีใจสุดๆเวลาพูดอะไรไม่ดีก็เสียใจสุดๆเเป็นเหมือนกับกระดาษกระดาษซับกับน้ำหยดน้ำพอเราหยดน้ำใส่ไปในกระดาษนี้กระดาษซับมันจะดูดน้าหายไปหมดเลยตื้นเข้าไปเลยเพราะจิตใจไม่ได้ฝึกฝนอบรมไม่ได้แยกแยะใจออกจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรูปเสียงกลิ่นรส พอสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสแบบไหนเข้ามาก็ดูดเข้าไปทันทีได้รูปเสียงกลิ่นรสผภัณที่สุกก็ดีอกดีใจขึ้นมาทันทีได้รูปเสียงกลิ่นรสผภัณที่เป็นทุกข์ขึ้นมาก็เสียอกเสียใจขึ้นมาทันทีพอไม่ได้มีการฝึกฝนอบรมไม่มีการสอนใจให้ให้วางเฉยให้แยกใจออกจากทุกสิ่งทุกอย่างให้รับรู้เฉยเฉยให้สักแต่ว่ารู้ถ้าเราอยากที่จะอยู่ในโลกนี้ ได้อยู่ภายใต้กฎของตายรักได้อย่างไม่ทุกข์ใจเราต้องมีเครื่องมือเครื่องมือนี้ก็คือการภาวนาจิตตภาวนาทำจิตใจของเราให้สงบทำจิตใจให้เราเป็นอุเบกขาเราก็จะมีความกำลังที่จะวางเฉยเวลาที่เราไปสัมผัสรับรู้เรื่องอะไรเราก็จะมีปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากอย่าไปฝืนความจริงและห้ามเขาไม่ได้ เขาเป็นอนัตตาเขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเขาจะทำอะไรก็ปล่อยเขาทาไปถ้าเราหลบได้เราก็หลบมไม่ใช่หมายควาว่าเราจะต้องปล่อยเขาทาเสมอไปเพียงแต่เราจะไม่ต่อสู้ไม่ตอบโต้ไม่สร้างเวรสร้างกรรมถ้าเราหลบได้เราก็หลบถอยได้เราก็ถอยแต่ถ้ามันจนมุมทำอะไรไม่ได้ก็ต้องทำใจวางเฉยไปปล่อยให้เขาทาไปอย่างมากก็แค่ตายคนเราทุกคน ใที่สุดมันก็ต้องตายแต่จะตายแบบทุกข์หรือจะตายแบบสุขถ้าถ้าตายด้วยอุเบกขานี่มันจะตายแบบสุขมันจะไม่ทุกข์มันจะไม่เดือดร้อนถ้าตายด้วยความด้วยความกลัวด้วยความด้วยความเกลียดชังด้วยความอยากใจมันก็จะทุกข์ใจมันก็จะร้อนขึ้นมาอ่านี่เกิดเรื่องของกฎตายลักที่เราจะต้องมาศึกษากันอยู่เรื่อย พระเจ้าสอนให้เราพยายามมองอะไรเห็นอะไรไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผงสัพพะนี่อย่ที่เขาบอกให้เห็นว่าเกิดดับเกิดดับนี่ก็คือการเกิดดับของรูปเสียงกลิ่นรสผงสัพพะการเกิดดับด้วยการเจริญเสื่อมของราภยศสารเสริญสุขนี่แล้วการเกิดดับของร่างกายที่เรามองไม่มองให้เราไม่มองว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดแล้วดับกันเรามักจะมองว่ามันเกิดแล้วมันจะอยู่ไปเรื่อยๆ ร่างกายนี้มันเกิดมาแล้วมันจะต้องอยู่ไปเรื่อยๆตายไม่ได้พอตายก็เกิดความกลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาเหมือนกับว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นความจริงแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่พรเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดา แต่ถ้าใจเรายังรับไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังมีความอยากอยู่ยังอยากไม่แก่ยังอยากไม่เจ็บยังอยากไม่ตายอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าเรายังไม่มีอุเบกขาพอใจเรายังไม่นิ่งไม่เฉยพอเราก็ต้องไปฝึกสติไปนั่งสมาธิมากๆเพื่อทำให้ใจให้มันนิ่งให้มันสงบเพื่อให้มันยอมรับกับ mm. กฎของอนิจนนจังทุกขังอนัตตาให้ได้ รับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มาที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เข้ามาทางทาวารทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นกาย <ihr> อะไรเข้ามาก็รับรู้ไว้เฉยๆเป็นเหมือนกับหยดน้ําบนใบบัวอย่าไปเป็นเหมือนกับหยดน้ำบนกระดาษซับกระดาษซึม <year> ไม่ใช่เห็นอะไรก็ยึดติดเลยทันที เ, เห็นอะไรที่ไม่ถูกใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันที เ, <och> <Weil S 2> เห็นอะไรที่ถูกใจก็สุขขึ้นมาทันที <isa> อันนี้คืออาการของ ของผู้ที่ไม่ปล่อยวางของผู้ที่ยึดติดผู้ที่มีตัณหาความอยาก<ม>แล้วก็จะเอาตัณหาความอยากนี้มาสร้างความทุกข์ให้กับใจไปเรื่อยๆ<ม>แต่ถ้าเราฝึกจิตให้วางเฉยได้ตักแต่ว่ารู้ได้<ม>เราก็จะอยู่ในโลกนี้อย่างสบายมไม่วุ่นวายไปกับใคร<ม>แล้วเราก็รู้ว่าชีวิตของเรามันก็มีขอบมีเกต<ม>เราก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะ สละชีวิตนี้เมื่อถึงเวลาเวลาตายก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเวลาตายก็ไม่เดือดร้อนเวลาแก่ก็ไม่เดือดร้อนอเพราะเรามีปัญญาเรารู้กฎของตายร่างรู้ว่าร่างกายก็ดีของเราก็ดีของคนอื่นก็ดีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆก็ดี อ, อะไรก็ดีที่เรามีอยู่นี่ล้วนเป็นของชั่วคราววันหนึ่งเราก็ต้อง จากมันไปอย่างแน่นอนไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสอนใจไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามฝึกสตินั่งสมาธิไปเรื่อยๆให้ใจมันวางเฉยให้ได้ถ้าวางเฉยได้เวลาเกิดการสูญเสียเวลาเกิดการพัดภาคเวลาเจอกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเราก็จะไม่ทุกข์กับมันได้ถ้าเราทาใจให้เป็นอุเบกขาได้หนั่ง หน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือพยายามไปฝึกสตินั่งสมาธิให้มากๆเพื่อที่จะทำให้จิตของเรานี้มันมีพลังที่จะวางเฉยได้เอาชนะความอยากในใจของเราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายหยุดมันให้ได้อยากไม่เจอสิ่งนั้นอยากไม่เจอสิ่งนี้ต้องหยุดมันให้ได้อยากได้สิ่งนั้นหรืออยากได้สิ่งนี้ก็ต้องหยุดมันให้ได้เพราะความอยากเหล่านี้มันจะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่ทำแล้ว แล้วเวลาเวลาที่อยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากมันก็จะทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาอันนี้ก็คือเรื่องของกฎของไตรลักษณที่เกี่ยวกับร่างกายของเราและเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของเราลาภยศสารเสริญสุขของเราล้วนเป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังล้วนเป็นไม่มีใครเป็นเจ้าของมันเป็นของธรรมชาติอนัตตาสัพเพธรมานัตตา สิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของธรรมชาติเป็นเจ้าของก็คือดินน้ําลมไฟธาตุสี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้ทํามาจากธาตุสี่ทั้งนั้นร่างกายของเราก็มาจากธาตุสีกุฏิสาราที่เราอยู่นี้ก็ทํามาจากธาตุสี่ธาตุดินธาตุดินก็เป็นหนึ่งในธาตุสี่ต้นไม้ใบหญ้ามันก็ทํามาจากธาตุสี่ดินธาอากาศลมพัดก็เป็นธาตุธาตุลม ความร้อนก็นเป็นธาตุไฟมันเป็นเรื่องของธาตุทั้งนั้นมันไม่มีตัวตนมันมารวมตัวกันแล้วมันก็มาผลิตสิ่งต่างๆขึ้นมาให้อยู่ได้ชั่วคราวแล้วต่อไปมันก็จะต้องเสื่อมกลับคืนสู่ธาตุเดิมไปให้รู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆว่าเราอยู่ในโลกของของความชั่วคราวของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เราจะต้องคืนสู่สภาพเดิมคืนเจ้าของเข้าไป คืนธาตุสี่คืนธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไปถ้าเรายอมแล้วเราจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่ยอมเพราะว่ากิเลสตัณหาของเรามันยังหนงอยู่ยังอยากอยู่เราก็ต้องไปฝึกสติไปนั่งสมาธิทําใจให้เป็นอเบขาให้วางเฉยให้ได้พอวางเฉยแล้วพอเห็นอะไรเข้ามาที่ไม่ชอบก็วางเฉยยอย่าไปอยากให้สิ่งนั้นหายไป เราห้ามเขาไม่ได้เราสั่งเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาเข้ามาเองเดี๋ยวเขาก็ไปเองทุกสิ่งทุกอย่างมีมามีไปมีเกิดมีดับไม่ว่าจะดีหรือจะช่วก็ตามเป็นอย่างนี้ทั้งหมดมถ้าเราไปอยากแล้วมันจะวุ่นวายจะทำให้ใจเราทุกเวลาอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากแต่ถ้าเราเฉยแล้วเราจะไม่ทุกข์อะไรจะมาก็ปล่อยมาจะดีหรือจะเชื่อก็ปล่อยมันมาไปเดี๋ยวถึงเวลามันก็ไปของมันเอง เราต้องมาฝึกสตินั่งสมาธิกันให้มากๆวันละครึ่งชั่วโมงนี้มันไม่พอนะต้องหาเวลาทำทั้งวันทำเยอะๆทำบ่อยๆทำให้มากๆอย่าไปหลงกับการหาลาภยศสารเสริญสูงนี่นะเรามีปัญญาแล้วเรารู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราวหาหามาถ้าเป็นทาตายเสียเวล็เสียเวลาเสีย เสียกำลังกายเสียกำลังใจก็ให้กับการแสวงหาสิ่งต่างๆมาแล้วในที่สุดก็ต้องเสียมันไปหมดมเป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้าน<ม>ตายไปบาทเดียวก็เอาไปไม่ได้สูญเสียมันไปหมดแล้วเอาเวลามาหาสิ่งเหล่านี้ทำไมมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้ใจสงบทำให้จิตใจปล่อยวางได้เลยกับทำให้ใจยึดติดมากขึ้น<ม>ทำให้ใจทุกข์มากขึ้นเพราะเกิดความอยากมากขึ้น เอาเวลามาหาสติกันดีกว่าอย่าไปหาสตางค์คนฉลาดนี่จะไม่หาสตางค์กันจะหาสติพระพุทธเจ้านี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินก็ยังไม่เอาเลยทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินหาสตางค์แล้วมันดับความทุกข์ไม่ได้หาสติดีกว่าหาสติไปทำใจให้สงบใจสงบปล่อยวางได้ใจก็ไม่ทุกข์กับสิ่งต่าง ถ้าเราอยากจะฉลาดเหมือนพระเจ้าเราก็ต้องเอาเวลามาหาสติกันมาเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรม น, นี่คือกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสติเสริมปัญญาให้เกิดขึ้นตามลำดับยิ่งทำยิ่งมากก็จะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าทำน้อยก็จะได้น้อยัน้นถ้าอยากจะได้มากๆได้มีกาลังที่จะสามารถทาใจให้นิ่งให้เฉยได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น อันนั้นน่ะถึงถึงเป็นสิ่งที่เราพอได้หยุดได้ถ้าเราทําได้ในระดับที่เราหยุดทําใจให้นิ่งเฉยได้ไม่หวั่นไหวกับสิ่งต่างๆที่มากรเทบกับจิตใจแต่ถ้าเรายังหวั่นไหวอ ย, อยู่ใจเรายังวิตกกังวลยังทุกข์ยังหวาดกลัวกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่แสดงว่าใจเรายังขาดอุเบกขามากต้องไปเสริมสติเสริมสมาธิให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ อย่าไปเสียเวลากับการหาสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจได้มันไม่สามารถทําให้ใจไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆได้มีการหาสติหาปัญญาหาสมาธิ น, นี้เท่านั้นแหะที่จะทําให้จิตใจของเรานี้มีที่พึ่งที่จะทําให้จิตใจเราเข้มแข็งที่จะทําให้จิตใจเราก้าหาที่จะทําให้จิตใจเราไม่ทุกข์ไม่หวั่นไหวกับสภาวะ ทำต่างๆที่ปรากฏขึ้นมานี่ก็คือเรื่องของกฎตายรักที่เกี่ยวกับร่างกายและทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆวิธีที่จะปฏิบัติกับกฎตายรักก็คือยอมยอมรับความจริงยอมรับความเสื่อมยอมรับความสิ้นสุดของสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่จะยอมได้ก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้ใจเกิดอุเบกขาขึ้นมา แล้วก็ให้มีปัญญาคือให้รู้ว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นตายรักหนึ่งการรู้ตายรักนี่นเรียกว่าเป็นปัญญาแต่รู้ตายรักอย่างเดียวแต่ยังทําใจไม่ได้นี่แสดงว่าเรายังขาดสติขาดสมาธิขาดอุเบกขาอยู่ตอนนี้เรามีปัญญาแล้วเรารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวแต่เรายังทําใจไม่ได้เราก็ต้องไปฝึกใจกันฝึกจิตกันทําใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขากัน พอทำจิตใจให้สงบเป็นอุเบกขาได้แล้วจิตใจก็จะสามารถวางเฉยได้เวลาอะไรจะเสื่อมก็ยอมรับได้เวลาอะไรจะไปก็ยอมรับได้เวลาใครจะด่าก็ยอมรับได้เพียงจะยอมรับเฉยๆเท่านั้นงไม่ได้หมายความเรายอมรับความผิดที่เขาพูด เ, นะเขาด่าว่าเราไม่ดีที่เรายอมนี่ไม่ได้หมายความว่เาเรายอมรับผิดเนะเพราะสิ่งที่เขาพูดมันอาจจะไม่ถูกก็ได้ เราดีอยู่นี่ถ้าเข้ามาว่าเราไม่ดีว่าไปยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้ความดีมันไม่ได้ล้มล้างถูกล้มล้างด้วยการการพูดของคนอื่นว่าไม่ดีมันจะไม่ดีก็อยู่ที่เรานั่นแหละถ้าเราไปเปลี่ยนการความดีของเราเป็นการกระทําไม่ดีเช่นเราเคยรักษาศีลได้ตลอดนี้แล้วนี้ก็เป็นความดีถ้าเราอยากจะลบล้างความดีอันนี้เราก็ต้องไม่ไปรักษาศีลต่อไป ไปรักรัพย์ไปฆ่าสัตว์ไปตัดไปประพฤติผิตประเพณีตอนนั้นนะเราก็จะเปลี่ยนจากความดีกลายเป็นความไม่ดีไปไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะคนนั้นคนนี้เขาพูดว่าเราไม่ดีดีไม่ดีดีชั่วอยู่ที่ตัวเราอันนี้ก็คือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี้มันเกี่ยวกับทางจิตใจของเราไม่ได้เกี่ยวกับทางร่างกายจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวแจะแก่เจ็บตาย ราบ ร, รุ่งสารเสวนสุกก็เป็นของชั่วข่าวอยู่ภายใต้กฎของตายลับวิธีที่จะ ป, ปฏิบัติกรรมนก็ต้องวางเฉยทําใจให้วางเฉยส่วนจิตใจของเรานี่เป็นสิ่งที่เราควบคุมได้สั่งได้สั่งให้มันเจริญก็ได้ทาสั่งให้มันเสื่อมก็ได้สั่งให้มันสุขก็ได้สั่งให้มันทุกข์ก็ได้อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกับร่างกายร่างกายตายไปแล้วจิตใจไม่ตายจิตใจยอยู่ต่อไปจิตใจจะอยู่ แบบไหนอยู่แบบสุขอยู่แบบทุกข์อยู่แบบเจริญแลืว อ, อยู่แบบเสื่อมนี้ก็อยู่ที่การกระทําของใจนี่ทําบุญนู่อทําบาปถ้าเราทําบุญเราก็จะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นตอนนี้เราเป็นมนุษย์ถ้าเราทําบุญทําทานรักษาศีลห้าได้เราก็จะปิดประตูบายไม่ต้องใจก็จะไม่เสื่อมใจจะไม่ตกไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุรกายไปตกนรกเพราะศีลห้านี้จะเป็น เครื่องกั้นเอาไว้ถ้าเราไม่รักษาศีหน้านี้ถึงแม้เราจะทําบุญทําทานโอกาสที่จะไปเกิดในอบายก็ยังมีอยู่ขึ้นอยู่กับว่าบุญกับบาปที่เราทํานี้ฝ่ายไหนมีมีมากกว่ากันถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปมันมีกําลังมากกว่าบาปมันก็จะดึงใจให้ไปเกิดในอบายถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงให้ไปเกิดบุญสวรรค์ก่อนแล้วถ้าอยากจะไปสูงกว่าขั้นสวรรค์ ชั้นเทพอยากจะไปสู่สวรรค์ชั้นพรมเราก็ต้องทําบุญเพิ่มจากการรักษาศีลห้ามาเปลี่ยนเป็นรักษาศีลแปดแล้วก็มามาเพิ่มการปฏิบัติศีลมาปฏิบัติสมาธิเจรสมาธินั่งสมาธิที่เรียกว่าทำสมถะภาวนาทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เข้าฌานพอจิตใจสงบจิตเข้าฌานได้จิตก็จะไปเกิดเป็นพรมเวลาที่ร่างกายนี้ตายไป แล้วถ้าเราอยากจะไปสูงกว่าขั้นพรมนอกจากนั่งสมาธิแล้วเจริญสติแล้วรักษาสีนแตะแล้วเราก็ต้องมาเจริญปัญญามาพิจารณาเรื่องของตายลักนี่มาพิจารณาเรื่องของอริยสัจสีว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความอยากอยากในสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งที่เป็นของชั่วคราวอยากได้ลาบยศริญสุข มันก็จะทําให้ใจนี้ทุกข์ขึ้นมาเพราะว่าบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้และเวลาได้ได้แล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียไปอยู่ดีฉะนั้นได้ไม่ว่าจะได้อะไรมาในโลกนี้ราภยุศเสริญสุขได้นั่งกายนี้มามันก็เป็นของชั่วข่าวอันนี้ก็กลับมาสู่ความเข้าใจในกฎของของตายรับเพื่อดึงใจแยกใจฮะไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่จะ ที่ที่เป็นตายรักนั่นเองก็คืออย่าไปยุ่งกับสิ่งที่เป็นตายรักอะไรที่เป็นอนนี้จังทุกขังอนั้ตาอย่าไปอย่าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่าไปอยากมีอยากเป็นอย่าไปอยากได้มาเป็นของของเราเพราะมันเป็นของเราได้เพียงชั่วคราวแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากเราไปพอจากเราไปเราก็เราก็เศร้าโศกเสียใจแล้วเราก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อมาหาสิ่งเหล่านั้นอีกถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดอยากจะไปนิพพาน เราต้องตัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจไม่ว่าจะอยากอะไรก็ตามอยากรูปเสียงกลิ่นรสอยากกรรมมาคนห้างเขตัดไปเพื่อจะได้ไม่ไปเกิดในการมมาพบอยากในรูปประชานก็ต้องตัดไปจะได้ไม่ไปเกิดในรูปประพบอยากในอรูปประชานก็ต้องตัดไปจะได้ไม่ไปเกิดในอารูปประพบพอเราตัดความอยากต่างๆให้หมดแล้วเมื่อไม่มีความอยากลงเลยอยู่ในใจแล้วใจก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ใจก็อยู่ที่นิพพานแทนนิพพานก็เป็นที่ที่สงบมีแต่บรล ม, มสุขไม่มีความทุกข์เพราะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดถึงต่อไปนะถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังต้องมีการแก่การเจ็บการตายการเกิดก็เกิดจากการมีความอยากอยากในกาลก็ไปเกิดในกาลมาพบอยากในรูปฌานก็จะไปเกิดในรูปภพอยากในอรูปฌานก็จะไปเกิดในอรูปภพ Bar. พอเห็นโทษของความอยากว่าเป็นตัวที่จะดึงเกิตให้ติดให้ติดอยู่ในวัฏฏ ะ, ะสังสารเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดติดต่อไปก็ต้องละความอยากทั้งสามนี้ให้ได้ด้วยปัญญาโดยเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกรรมมาคุณห้าก็ดีไม่ว่าจะเป็นรูปประชานก็ดีอารูปประชานก็ดีเอาเหล่านี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเป็นของชั่วข่าวได้มาแล้วก็ต้องเสื่อมไป เสแล้วก็ต้องไปหามาใหม่ต้องไปหามาใหม่อยู่เรื่อยๆพอได้การมาคุณได้ผลของกรรมมาคุณพอผลของกรรมมาคุณหมดไปก็ต้องไปเสพใหม่เรื่อยได้รูปประชานมาพรรูปประชานเสื่อมไปก็ต้องไปหารูปประชานใหม่ต้องหาอยู่เรื่อยๆก็ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปก็ต้องตัดความอยากเหล่านี้ให้หมดไปการมตัญหา ความอยากในการมาคุณห้าภาวะตันหาความอยากในรูปประชาญวิภา ว, วะตันหาความอยากในอรูปประชาญความอยากเหล่านี้แหละเป็นตัวที่ดึงจิตให้ตกต่ำอยู่เรื่อยๆไม่ให้ขึ้นสูงไม่ให้เจริญแบบไม่ต้องเสื่อมถ้าละความอยากทั้งสามนี้แล้วจิตก็จะไม่มีแต่เจริญถึงขั้นสูงสุดคือพระนิพพานแล้วพอถึงขั้นนิพพานแล้วก็จะไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไป<ม>ก็จะอยู่ในนิพพานนั้นไปตลอด ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่พวกเรากําลังเป็นอยู่ขณะ น, นี้พวกเราถ้ายังมีความอยากในการมาคุณห้ายังอยากเสกรูปเสี ย, ยงกลิน่นรอดอยู่พอน่างกายนี้ตายไปเราก็จะกลับมาเกิดใหม่มันมีร่างกายอันใหม่ถ้าเราถ้าเรานั่งสมาธิเข้าฌานได้แล้วเราติดความสุขของรูปฌานเวลาเราตายไปเราก็จะไปเกิดบนรูปภพพรอฌานที่ส่งให้เราไปเกิดในรูปภพมันเสื่อมลง เราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อที่จะมาสร้างรูปประชาญใหม่เช่นเดียวกับรูปประชานมันก็จะทำให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายเจอกับกดตายลักษ์ของร่างกายอันนี้จังทุกขังอนัตตาแต่สำหรับพวกที่เขาเข้าฌานได้นี่เขาจะไม่ค่อยทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเท่าไหร่เพราะเวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายเขาก็เข้าฌานไปทําใจเฉยๆไป แต่พวกที่เสพการมคุณห้านี่จะทุกมากเวลาเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะไม่รู้จะทําใจอย่างไรรูปเสียงกลิ่นรสที่เคยเป็นที่พึ่งก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้<ม>ก็ต้องทุกข์ทรมานเวลาแก่ก็ทุกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกเวลาจะตายก็ทุก<ม>ถ้าไม่อยากจะทุกข์อยากจะสิ้นสุดของการ ส, สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปก็อยากกลับมาเกิด และการจะไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องละตัณหาทั้งสามนี้ละกามาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดละภาวะตัณหาความอยากเสพ ร, รูปประชานละวิภาวะตัณหาความอยากจะเสพ ร, รูปประชานไปละได้หมดด้วยกำลังของสติด้วยปัญญาแล้วใจก็จะไม่มีเหตุที่จะดึงให้กลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมา เมื่อไม่มีความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ก็จะไม่มีต่อไปทุกย่อมไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นผู้ที่ยังไม่มาเกิดได้ก็ต้องละตัณหาทั้งสามให้ได้ละกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาให้ได้การจะละก็ต้องใช้การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่ตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไป สีนก็สีนไปสมาธิสติสมาธิก็เข้ารูปเข้าสู่ฌานไปก่อนเข้าสู่ขั้นรูปฌปานใช้กําลังของฌานมามามาหยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดก่อนพอพอดับความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดได้แล้วรูปฌปานก็ไม่ต้องใช้อีกต่อไปก็ละรูปฌานไปละรูปฌานไปต้องละหมดจายถึงจะหลุดออกจากกองกองทุกข์แห่งการมีว่าตายเกิดได้ เมื่อได้หมดน้ำใจก็จะเจอกับความสงบที่เป็นความสงบสุขที่ยั่งยืนถาวรความสงบสุขที่ยั่งยืนถาวรนี้พระเจ้าให้ชื่อว่านิบบานางังนิพพานปรลมังสุขขังความสุขของพระ น, นิพพานนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดปรลมังสุขขังไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะเปรียบเท่ากับความสุขของพระ น, นิพพานได้ ความสุขของว่า น, นิพานเป็นความสุขร้อยเปอร์เซนตถ้าเป็นทองคําก็เป็นทองคำร้อยเปอร์เซนไม่มีความทุกข์มาผสมมาเจียปนเลยถ้าเป็นทองคําก็ไม่มีโลหะชนิดอื่นมาผสมเป็นทองร้อยเปอร์เซถ้าเป็นนิพานก็เป็นความสุขร้อยเปอร์เซนตไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยนี่แหละก็คือเรื่องของกฎกติกาของชีวิตที่เราควรจะศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามให้ได้คือกฎของตายรักแล้วะ ก, กฎแห่งกรรม ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้อยู่ที่ใจไม่ใช่เรื่องของร่างกายไม่ได้อยู่ที่ลาบยศสรรเสริญสุขทำดีแล้วก็จะได้เป็นเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยะบุคคลไปสวรรค์ไปไปนิพพานตามลำดับถ้าทำชั่วก็ไปเกิดเป็นเดาชานันเป็นเปรตเป็นอรกแลกายไปตกนรกอันนี้เรื่องของกฎแห่งกรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตใจหรือดวงวิญญาณเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจิตใจก็จะกลายเป็นดวงวิญญาณก็จะไปเกิดอยู่ในภพใดภพหนึ่งใน ภพต่างๆเหล่านี้ขึ้นอยู่กับบุญเมื่อบาต ท, ที่ได้ทําไว้นี่คือสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้กันกฎแห่งกรรมก็เราก็ต้องปฏิบัติตามกฎของตายรักเราก็ต้องยอมรับความจริงเมื่อเรายอมรับความจริงได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์ใจเราก็จะอยู่อย่างสุขไปจนถึงวันตายนี่ก็คือเรื่องของวิธีอยู่อย่างรงบเยินเป็นสุขของชีวิตด้วยการศึกษาด้วยการเรียนรู้กฎกติกาของชีวิตว่าเป็นอย่างไร และนำเอาไปปฏิบัติตามให้ได้ถ้าปฏิบัติตามได้แล้วชีวิตก็จะมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์จะมีแต่ความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดคือพระนิพพานการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแต่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวารวาาปุราปาวิกุเรนติสาขารัง เอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัรปฏิเอชิตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจจตุสัพเพตุเรนตุสังกปาจันโทปนะวะโสยธามณิโชติอาวโสยธัสัพพิติยวิวัชานตุสัพพะโรโควินาศตุ มาเตภวัตวันตรายโสุขิติคายยโกาวะอาพิวาธานศิลิสนิจังวุธาปจายโนจตารธุธรรมวาทานติอายุวโนโสุขังภาลางช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถา ม, ถาม ใครมีคําถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะหลังจากที่เลิกแล้วมันจะไม่สะดวกตอนนี้เป็นเวลาที่สะดวกที่สุดเพราะทุกคนนั่งอยู่เฉยไม่ได้ทําอะไรพอเลิกแล้วเดี๋ยวคนนั้นเข้ามาคนนั้นเข้ามาแล้วต้องทํานู่นทํานี่จะไม่สะดวกเฉนั้นถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อ น, นี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ น้มกราบนมัสการเจ้าค่ะผู้รับฟังวันนี้ทาง Facebook 383 YouTube พระอาจารย์สุชาติ356 YouTube ดร V 47วิทยุออนไลน์13 Clubhouse 4ผู้รับฟังหน้าคุติ134รวม937ท่านเจ้าค่ะ ธรรมสการะ้าจาย์ án, ค่ะใกล้ๆหน่อยใกล้ๆทั้นั้นพอดีฝึกสมาธิมาแล้วมันรู้ทันจิตค่ะแต่พอออกมาแล้วมันมันซื้อบื้อค่ะจารย์แล้วก็มันถ้าท้านนั่งมันนานแล้วออกมาแล้วมันยิ่งซื้อบื้อหนักเลยค่ะจานก็ให้มองพิจารณาปัญญาไปเห็นอะไรก็ว่าเป็นไม่เที่ยงไปเห็นคนนั้นก็ไม่เที่ยงเห็นคนนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทั้งนั้นเห็นกันก็ว่าเป็นทุกข์ เห็นเพศพลอยก็เ <nutritious> ป cut ็นทุกข์พอเมื่อได้มาแล้วก็ต้องทุกกับการดูแลรักษาแล้วเวลามันหายไปก็ต้องมาทุกกับความสูญหายไปงั้นใช้ปัญญาเวลาถ้ามันซื้อเบื่อก็ใช้ปัญญาเห็นอะไรอยากจะได้อะไรก็บอกมันเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่เป็นสุขค่ะบางทีขับรถนะคะบางทีเหยีคันใกล้ๆหน่อยได้ไหมขับรถนะคะบางทีสติมันไม่ทันนะคะอาจารย์บางที ซึ้บื้อไปอะค่ะมันมันไม่ทันเลค่ะมันก็ต้องดึงสติกับมาใช้กรรมวิกรรมพุทโธพุทโธก็ได้ก็เลยหลังๆก็เลยเริ่มนั่งนั่งสมาธิน้อยลงอะค่ะก็ก็จะดีขึ้นนะคะก็ดีอย่างไรก็ได้ที่ท่านมันดีขึ้นก็ทําไปคถ้านั่งนานก็จะซึ้บื้อเลยค่ะ ไปคงอยังไม่ใช่สมาธิแล้วท่านั่งแบบซื้อเบือเ <c oughs> นื้อคันหรืออยางอยากถ้าเป็สมาธิาแล้ ว, วมันไม่ใช่สมาธิแล้วมันนั่งแบบนั่งแบบใจลอยมากกว่าใช่ไหมค่ะคถ้านั่งแบบสมาธิมันจะมีสติรู้สึกตัวตลอดเวลาจะตื่นค <c oughs> จะไม่ซื้อบือจะไม่เชื่อมซือร <c oughs> ์ค่ะนั่งแบบใจลอยเวลานั่งต้องมีสติอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่านั่งเฉยๆค่ะบางทีทันนะคะทันแล้วก็หายไปสักสามสิบ สามสิบวิหรือสี่สิบวิเงี้ยถึงจะรู้ทันจิตของตัวเองนะคะอาจารย์ก็พยายามให้มีสติอยู่เรื่อยๆนะมันจะรู้ทันตลอดเวลาพยายามฝึกพุทโธพุโทโธพุโทพโธไปเรื่อยๆหรือเข้าดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังกินก็อยู่กับการกินอย่าไปปล่อยให้ใจไปที่อื่นให้อยู่กับการกินกําลังแต่งเนื้อแต่งตัวก็อยู่กับการแต่งเนื้อแต่งตัวไป่อย่าปล่อยให้มันลอยถ้ามันลอยแล้วมันจะซื้อเบอร์ บางครั้งสื้อเบื่อค่ะขับรถนะคะจ่าอืมใจลอยบางนึงกลับมาบางทีใส่รองเท้าคนละคนละคู่ก็ซืเบื่อให้ม่มีสติใช่ค่ะใจไม่ได้อยู่กับเป็นงารที่เราทําอยู่ค่ะบางทีรีบเกินไปอย่าเงี้ยค่ะจ่าต้องทําอะไรให้มันช้าลงอย่ารีบร้อนค่ะจ่าต้องรู้รู้สึกตัวทุกขณะว่าเรากำลังทําอะไรอยู่ค่ะทําผิดทําถูกเราก็จะได้รู้ได้ค่ะจ่า ขาดสตินะค่ะแล้วนั่งสมาธิแบบนี้แบบไม่มีสติมันก็จะทําให้เราเสื่อบืนได้นั่งแบบนั่งใจลอยแล้วนั่งนั่งหลับไปค่ะอยากหลับตัวนี้ค่ะจ๊าก็ต้องไปกินข้าวให้น้อยลงพอกินข้าวน้อยลงนอนไม่หลับค่ะจ๊านั่นสิก็จะได้นั่งสมาธิได้เยอะเลยก็มีก็มีการแม่นอนเนี่ย นั่งสมาธิจะได้นั่งสมาธิเยอะๆค่ะคิวค่ะที่นี้ค่ะจางขอบคุณค่ะพยายามฝึกสติก่อนนะค่ะขอบพระคุณค่ะข้อความที่ว่าคนฉลาดหาสติคนโง่หาสตางขอกราบเรียนถามความหมายของข้อความนี้ด้วยเจ้าค่ะเออถ้าหาสติก็จะได้มากผลนิพพานเนี่ยถ้าสตางก็ได้เงินน้อยนะ ร้อยล้านพันล้านตายไปก็เอาไปไม่ได้ไม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าได้มากผลนิพพานนี้เอาไปได้หมดเลยพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายด้านหาสติกันนะมั้แต่ไม่ใช่สติอย่างเดียวเริ่มต้นที่สติพอได้สติแล้วมันก็จะไปหาสมาธิต่อได้พอได้สมาธิแล้วมันก็จะไปหาปัญญาต่อแล้วมันก็จะได้มากผลนิพพานตามมาเชิญพูดใกลๆนะหนูอยากทราบว่า เวนกรรมกับบาปบุญอย่างเงี้ยค่ะมันมีจริงไหมคะทําไมเราเห็นบางคนที่เขาดูแลพ่อดูแล <c oughs> บุพการีเช่นคนที่เขาติดเตียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะกลายเป็นทุกข์เพราะว่าทาั้งทางที่เขามีความกระตันยูนในการดูแลแต่เขากลับกลายไปว่าเขามีทุกข์ทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าการดูแลการไปโรงพยาบาลแต่ทําไมในขณะที่เราเห็นว่าบางคนอย่างเงี้ยค่ะที่ออกข่าวที่เราก็เห็น เขาก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้จะต้องมาทําอะไรตรงจุดนี้หรือว่ามีการทําอะไรที่ไม่ได้สุดจริตมากนะักแต่ทําไมเขาก็ยังดูดูมีความสุขดูชีวิตดีดูปกติแล้วตกลงบาป ก, กับบุญแล้วก็เวรกรรมมันคืออะไรคะคือมันมันนอกจากบุญกับบาปแล้วมันมีกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือคนเราถ้ามีกิเลสมันก็จะทําอะไรมันก็จะทุกไปหมด แต่ถ้าไม่มีกิเลสมันทําแล้วมันก็จะมีความสุขเช่นถ้าไม่มีกิเลสมีความกระตันอยู่เลี้ยงดูพ่อแม่มันจะมีความสุขถึงแม้ว่าตัวเองจะทุกข์ยากลําบากอย่างไรแต่ได้ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่คิดถึงบุญคุณที่พ่อแม่เขาต้องทุกข์ยากลาบากเลี้ยงดูเรามาตอนนี้เขาต้องพึ่งพาอาศัยเราเรามีโอกาสได้ทําบุญกับพ่อแม่เนี่ยเราทำด้วยความยินดีทําด้วยความกตันญยูมันไม่มันไม่ทุกขนะ์มันมีความสุขมาก มันมันไม่ได้อยู่ที่บุญหรบาปที่เราทํามาเพียอย่างเดียวมันอยู่ที่กิเลสที่มีอยในใจเราในปัจจุบันด้วยว่าเรามีกิเลสมากหรือน้อยถ้ามีกิเลสน้อยมีธรรมะมากมันก็จะทําให้ใจเรามีความสุขถ้ามีธรรมะน้อยมีกิเลสมากใจมันก็จะร้อนใจมันก็จะทุกข์ดนั้นเราต้องศึกษาธรรมะให้มากๆเพื่อเราจะได้รู้ว่าอะไรคือธรรมะอะไรคือสิ่งที่ดีที่ควรที่เราควรจะกระทํา เป็นความกตัญญูกตวเวทีนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะจะทําให้เรามีความสุขใจเวลาที่เราได้ทดแทนบุญคุณกับผู้เราทําไมคนที่เราเห็นในทีวีเข้าถึงได้ดูแบบชีวิตสุขสบายทั้งๆ ท, ท, ที่เขาก็อาจจะเบนเบนมาจากคนอื่นนะคะ อ, อ๋อเราเห็นแค่ภาพเดียวครึ่งเดียวอาจจะไม่ถึงครึ่งเดียวซ้ำไปนอกจอนี่เราไม่รู้เขาเป็นยังไงบ้างคนเราเวลาเอานอกจอกันก็น้าจะรีเซนต์หน่อยใช่ไหม ต้องแต่งนื้แต่งตัวท่าหน้าท่าปากนั่งรถดูหลานะแต่นตอนคืนนอนอาจจะนอนไกายน้าผ่าว่าผู้ชายเงินที่ไหนมาผ่อนเนี่ยง้นะเราดูภาพเดียวไม่พอหรอกนะต้องดูหลายๆภาพต้องไปอยู่กับเขาสักเดือนหนะึ่งจะได้รู้ของจริงว่าเป็นยังไงนะงั้นอย่ า, นะย อ, ยาอย่าไปอย่าไปตัดสินใจกับสิ่งที่เราเห็นเพียงผิวเผิผนนั่นเองก็ดูว่าเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งแต่เรายังดูไม่ครบข้อมูลนะ แต่่ยเราที่ถูกหลอกก็เพราะอย่างเงี้ยเวลาเข้ามาหลอกเราเขา ท, ทาท่าดี ท, ทาําท่ารวยเขาไม่หวังจะมาอะไรจากเราหรอกที่ไหนได้เขาอยากจะอะไเขาถึงมาหาเรา <time> แต่เขา ท, ทาท่ามันเหมือนไม่อยากจะได้อะไรจากเราแต่นความจริงเข า, าหาช่องพอเขาเชื่อพอเราเชื่อเขารทีนี้มัน เ, เขาก็หลอกเราแล้วนะทำทำ ท, ำ ล, ง ท, ง això, ทำลงทุนอย่างนั้นทำลงทุนนี้ได้เงินเยอะนะไปร่วมกันหม <time> เราเขเราพอเราคิดว่าเขาไม่มาหลอกหลอกเราเราก็เลยเชื่อเขาไป อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจตาย <Okay. S 1> ระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์นะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คน <Okay. S 1> อย่าไปตัดสินความคนนี้ดีไม่ดีเชื่อขณะที่เห็นบนหน้าทีจอทีวีอย่างเดียวมั <Okay. S 1> มีอีกหลายมิติ ด, ด้วยกันที่เรามองไม่เห็น <Okay. S 1> เข้าใจนะ <Okay. S 1> อาเชญเข้ามา <Okay. S 1> ส่งกระดาษเข้ามาสร okay. การทำท่าดื่มวายเพื่อรักษามารยาทในงานสังสรรค์ริมฝีปากรับรู้รสของแอลกอฮอล์แต่ตั้งใจรักษาศีลไม่กลืนลงไปแบบนี้เราผิดศีลไหมเจ้าคะทําไมแล้วไม่บอกเขาว่าราสาสักษาศีลห้าหมดเรื่องเ <c oughs> สียงมันก็โกห ก, กเราด้วยกันเขาบอกเขาสิศาสนา เ, นเขาไม่กินหมูเขาก็ <c oughs> บอกเขาไม่กินหมู เรื่มันก็จบใช่หะหถ้าก็ไม่กินหมูแล้วก็ไม่เอาหมูให้เขากินเราไม่ดื่มน้ำเขาก็เอาน้ำส้มมาให้เราดื่มเองแล้วทำไมต้องไปเสียแจ้งผิดสองานเลยผิดสองข้อ <laughs> สิ่งที่ลูกได้จากการนั่งสมาธิจนถึงสภาวะที่เหลือแค่ตัวรู้ <laughs> <laughs> เช่นวันนี้ลูกปวดหัวไมเกรนมาก แต่ไม่ไปหายาเพื่อที่จะให้มันหายเพราะสิ่งนี้มันไม่ได้ลงมากระทบกับจิตใจของลูกเลยเจ้าค่ะนี่คือจุดมุ่งหมายจริงๆของการนั่งสมาธิถูกต้องหรือไม่อย่างไรกราบขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำลูกเพิ่มเติมด้วยเจ้าค่ะถูกต้องนั่งสมาธิเพื่อให้ใจไม่มไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆที่มากระทบกับใจไม่ว่าจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียสิ่งที่เรารักไป ถ้าเรามีสมาธิมีโอเบขาเราก็จะวางเฉยถ้าเรามีปัญญาเราก็ยอมรับว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมีมาแล้วก็ต้องมีไปต้องมีการพัดพากจากการเป็นธรรมดาใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆนั่งสมาธินานๆแล้วเกิดชาที่ขาทนไม่ไหวจนต้องออกจากสมาธิมีวิธีแก้ไหมครับ แสดงว่าสติเราอ่อนกำลังลงนะถ้าอยากจะนั่งต่อเราต้องเติมสติด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธถ้าเราพุโทโธพุโทโธไปสั ก, กสักพักหนึ่งเดียวจิตก็จะมีสติแล้วจิตก็จะวางเฉยได้แล้วก็จะไม่ทุกข์ทรมานกับอาการเจ็บชาของร่างกายก็จะนั่งต่อไปได้ ถ้ายังไม่ถึงโสดาบันในชาตินี้กราบขออุบายจากท่านพระอาจารย์ในการรักษาป้องกันตนเองให้อยู่ในทางสัมมาทิฐิทุกภพทุกชาติเพื่อปฏิบัติจนกว่าจะพ้นทุกข์และรู้แจ้งเจ้าคะ่ะก็ต้องคอยสอนใจเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเพื่อเราจะได้ตัดความอยากแล้วเราก็จะได้ไม่ไปทาสิ่งที่ไม่ไม่ควรที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราได้ ตอนเราเลิกถึงตายรักอยู่เรื่อยๆการทํากุศลคือการทําบุญแบบฉลาดมีเหตุมีผลในการทําให้เกิดประโยชน์มากที่สุดยมเข้าใจถูกต้องไหมเจ้าคะก็ถูกอะ่ะอย่างคนเขาหิวข้าวเราไปซื้อไปซื้อยาเสพติดให้เขานี้มันก็ไม่ถูกอะเอาต้องการกินข้าวเรอไปซื้อเสื้อผ้ามาให้เขาใส่เสื้อผ้าก็มีแล้วแต่สิ่งที่เขาขาดก็คืออาหาร นการจะทําบุญทําอะไรช่วยเหลือใครต้องดูว่าเขาเดือดร้อนกับอะไรเขาขาดแคลนอะไรเป็นคนคนน้ำคนน้ำท่วมนี้เราก็ไม่ได้ขนขนรถยนต์ไปแจกเขาใช่ไหมเราก็ขนของที่เขาต้องใช้อาหารอาหารแห้งอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้คือการใช้ปัญญาเลือกกุศลทําบุญแบบมีกุศลไม่ใช่ทำบุญแบบงมงายก็บอกถายถอยผ้าได้บุญเยอะก็ถอยกันเป็นน้อยเป็นการ แต่ไม่หมดเลยผ้ารูปเดียวจะไปใส่ผ้าได้เป็นกี่สำนักกันตั้งใจจะรักษาศีลห้าแต่ถ้าวันใดเกิดทําผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งไปแล้วแบบนี้จะถือว่าเราผิดศีลข้อนั้นเฉพาะวันนั้นหรือผิดศีลข้อนั้นตลอดไปเจ้าคะก็ทําำคนเดียวมันก็ผิดคนเดียวออก็อย่าไปทําอีกมันก็ไม่ผิดแต่ถ้าทําไปเรื่อยมันก็ผิดไปเรื่อย <c oughs> การมคุณทั้งห้าคืออะไรเจ้าคะรูปเสียงกลิ่นรสผธพระนี่เราสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าการมคุณห้าโยมรักษาศีลห้าประจำทุกวันและรักษาศีลแปดในวันพระแต่โยมไม่ได้นั่งเจริญสภาวนาสมาธิหรือเดินจงกรม โยมจะระลึกพุทโธในจิตตลอด24ชั่วโมงและร ะ, ะลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ปฏิบัติเช่นนี้พอจะปิดอบายภูมิได้หรือไม่เจ้าคะถ้าไม่ทำบาป ก, ก็ปิดได้ถ้าไม่ทาไม่ถ้ารักษาศีลให้แม่ละเมิดศีล5้าได้ก็ไม่ไม่ไปอบายแต่จะไปสูงกว่านั้นไม่ได้อยากจะไปสูงกว่านั้นก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อจะได้ไปสู่ชั้นพรหมโลก แล้วเจริญปัญญาเพื่อให้เข้าสู่ชั้นอริยภูมิอริยของอริยและพระพุทธเจ้านี้ต้องใช้ปัญญาตามลำดับความเครียดความวิตกกังวลความหงุดหงิดสุขทุกข์สลับไปมามนุษย์ทุกคนต้องพบเจอสภาวะนี้ จะดับได้พ้นทุกได้ทุกอย่างต้องสะสมสติสมาธิจนถึงขั้นอุเบกขาเห็นเป็นทุกขงังอนิจจังอนัตตาได้ก็จะดับทุกได้และจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขใช่ไหมเจ้าคะกราบขอคําแนะนําเพิ่มเติมด้วยเจ้าคะ่ะถูกต้องแล้วแหละทําให้มันปรากฏขึ้นมาก็แล้วกันมาแล้วนะีโอเค เดี๋ยวนี้เวลากินข้าวถ้ามีเนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์ที่มีมีอ่อมีสัตว์น้ำอยู่ในตู้ก็จะระวังไม่กล้าสั่งเพราะว่ากลัวจะผิดศีลข้อห้ามฆ่าสัตว์แต่เรื่องนี้ถูกแย้งว่าต่างกับการไปซื้อสัตว์ที่ตายมาแล้วกินตรงไหนจะตอบผู้มาแย้งได้อย่างไรเจ้าคะก็ต่างหรอนี่มันยังไม่ตายกับตาย ถ้าตายแล้วมันก็เราก็ไม่มีส่วนที่จะไปตามให้มันตายเพราะมันตายแล้วแต่ส่วนที่ยังไม่ตายถ้าเราไปสั่งปั๊บเขาก็มาเอาจัดที่ยังไม่ตายมาฆ่าอย่างนี้เราก็มีส่วนเพราะเราไปสั่งเขาแล้วการพูชี้นำแบบไหนที่โยมไม่ควรพูดเจ้าคะก็อย่าพูดเลยแต่หนึ่งเฉยๆไว้ถ้าไม่รู้จะพูดอะไรก็อย่าพูดเท่านั้นเอง มาแล้วเลยนี่กราบขอวิธีในการลดมานาทิฐีเจ้าค่ะทำตัวให้เป็นผ้าคีริวพวะเจ้าบอกทำตัวให้เหมือนเหมือนแผ่นลินใครจะเหยียบใครจะย่ำใครจะถอยน้ำลายใส่ใครก็จะปัดสะวะลดก็ปล่อยเขาทำไปเราเป็นบัตเพีเราเป็นแจวเราเป็นคนรับใช้ทุกคนเป็นเจ้านายเราโอเค